พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ริมฝั่งสะโบกกรณีชื่อว่าคัครานครจัมปาเวลาใกล้รุ่งพระองค์ทรงเข้ามหากรุณาสมาบัติอันเป็นพุทธาพุทธาจินนวัตรเป็นอาจีนของพระพุทธเจ้าจะเจริญพระมหากรุณาที่คุณเสร็จแล้วก็แผ่ขายพยานตรวจดูสรรพสัตว์ทั้งหลาย มหากรุณ า, สม า, าสมาบัตินั่นก็คือยังไงแผ่ไปลักษณะว่าสัตว์โลกนะเคลื่อนแล้วยกพลแล้วหรือว่าโลกสันนิวาตนะอันชราต้อนเข้าไปถูกมรณะห้ามหันอย่างเงี้ยโลกพร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นธาตุแห่งตัญหาเนี่ยพระ อ, องค์จะเจริญกรุณาอันนี้นะคิดความคิดอันนี้มากแผ่ในสัตว์ทั้งหลายหาประมาณไม่ได้ ว่าสัตว์โลกนี่โอ้โหถูกมรณะเนี่ยต้อนความความชราเนี่ยต้อนเข้าไปความตายนี่มาห้ามหันแล้วก็พร่องอยู่เป็นนิดไม่รู้จักอิ่มเป็นาธาตุแห่งตันหาเป็นโลกที่จะต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปทพระองค์ก็จะเจริญการุณาพวกนี้เป็นต้นพอพระองค์ออกจากสมาบัตินั้นแล้วก็ตรวจดูเหล่าสัตว์ที่เป็นเวไนพอจะแนะนำได้พระองค์จะสงเคราะห์คนที่มีบุญเนะ ถ้าหากว่าเราอยากจะเจอพระพุทธเจ้าองค์ต่อๆไปเราก็ต้องมีบุญพอสมควรเนะี่ยถ้าหากว่าไม่มีบุญแล้วอ่ะพระพุทธเจ้าก็ตรวจไม่เจอเราหรอกก็บอกว่าคืนเดือนมืดคนยืนอยู่บนที่สูงใช่ไหมแล้วก็ถ้าใครไม่จุดไฟเอาไว้ยังไงก็มองไม่เห็นพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันขนาดที่พระองค์ตรวจเพื่อจะสงเคราะห์นะถ้าไม่มีบุญเก่ามาเนี่ยพระองค์ตรวจไม่เจอหรอกแต่พระองค์ก็มองเห็นว่าเออหมูสัตตาดำๆอะ่ะมองเห็นแต่ตรวจบุญไม่เจอพอที่ว่า จะเอาธรรมะหมวดไหนไปสอนเขาจริงจะรู้เรื่องเพราะว่าเป็นพระพุทธเจ้าไม่นจะแสดงธรรมแล้วคนชอบหมดนะบางคนเนี่ยแสดงจบเนี่ยผูกพยาบาทในพระพุทธเจ้าเลยสมณะโขดมนะหาเรื่องเอาให้มันตายตะค้างหนึ่งให้ได้เลยอะ่ะบางโอ้โหว่าเสียดสีเราได้คนเดียวอ่ะนะไม่เอาเราก็ไม่เอาก็ไม่ไม่น่าจะมาตําหนิเราขนาดนี้โอ้ผูกพยาบาทเลยนะพ่อแม่เนี่ฟังแล้วบรรลุเป็นพระอริยเจ้าอะ่ะ ลูกสาวเนี่ยผูกพยาบาทในพระพุทธเจ้าคิดดูอันมันแล้วแต่การสะสมมาน ะ, ะพระองค์ก็ตรวจดูว่าใครเนี่ยพอจะแนะนำได้พระองค์ก็ทรงเห็นว่าเวลาเย็นวันนี้เนี่ยเมื่อเรากำลังแสดงธรรมกบตัวหนึ่งถือนิมิตในเสียงเราพระองค์แสดงธรรมนั้นมีกบได้ยินด้วยฟังอยู่ด้วยจักตายด้วยความพยายามของผู้อื่นแล้วจักไปบังเกิดในเทวโลกมาให้มหาชนเห็นพร้อมด้วยเทพบริวารเป็นอันมาก คนเป็นจำนวนมากจะได้ตรัสรู้ธรรมะในที่นั้นโอ้วางแผนระยะยาใช่ไหมไ ป, ไปแสดงธรรมในเรื่องนี้ให้กบได้ฟังพอกบฟังเสร็จตายแล้วไปเกิดในสวรรค์ลงมาจากสวรรค์พร้อมทั้งวิมานพระ อ, องค์ก็แสดงธรรมอีกครั้งคนด้วยเทวดาด้วยจะได้บรรลุธรรมอ๋อวางแผนด้หลายชั้นมากไหนๆนะอ๋อาาพาบริวารกบมาด้วยเอาพาบริวารเทพบุตรกบมาด้วย ครั้นทรงเห็นแล้วเวลาเช้าก็ทรงนุ่งแล้วถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังนครจาปาพร้อมด้วยภิกษุหมู่ใหญ่ทรงทำให้ภิกษุทั้งหลายหาอาหารบินทบาทได้ง่ายสเสวยพัธกิจเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าพระวิหารเมื่อภิกษุทั้งหลายทำวัดปฏิบัติแล้วไปที่พักกลางวันของตนของตนก็เสด็จเข้าพระคันทกุตีทรงใช้เวลาครึ่งวันให้หมดไปโดยเสวยสุขด้วยผลสมาบัติ เข้าพระละสมาบัติเนี่ยโอ้โหเลหลายชั่วโมงเลยนะเข้าผลจิตเข้าอารหัตพลลจิตมีไม่มีนิมิตเป็นอารมณ์อ น, นิมิตต์อันนั้นเนี่ยเขาเรียกว่านิพพานแล้วนิพพานนี่ไม่มีนิมิตนะไม่มีสังขารนิมิตนิพพานไม่มีสรรีสันโอ้ยอย่าว่านิพพานไม่มีสีเลยจิตเรามีสีไหมจิตยังไม่มีสีนิพพานนี่ละเอียดกว่าจิตอีกไม่รู้เท่าไหร่เมื่อเวลาเย็นนี้ ถึงเวลาเย็นบริษัททั้งสี่ก็ประชุมกันเสด็จออกจากพระคันตกุติอันหอมตลกกุติของพระพุทธเจ้าเนี่ยคนนี่จะเอาเครื่องหอมเนี่ยไปอบให้หมดเลยเนะีเขาจึงเรียกว่าคันท่คันท่แปลว่ากลิ่นใช่ไหมคันธารมอ่ะกุติของพระพุทธเจ้านี่เป็นกุติที่มีกลิ่นหอมมันจะเอาดอกไม้มาอบให้แล้วก็พระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบนนารรณศาลาเข้าไปในมณฑลศาลาประชมธรรมริมฝั่งสะบกกรณีด้วยพระปาติหารซึ่งเหมาะแก่ขณะนั้น นะแสดงปาฏิหาริย์อย่างไรสมควรที่จะช่วยสัตว์ให้บรรลุทำได้พระองค์ก็จะแสดงอย่างนั้นก่อนเสียดายเนาะบุญไม่พอแหมไม่ได้เห็นเลยทําบุญเยอะๆเดี๋ยวจะได้เห็นท่านแฟังธรรมของท่านก็อย่างนี้แล้วเนาะพระองค์ก็ประทับนั่งเหนือบวรพุทธอาสนะที่ประดับไว้เปล่งพระสุรเสียงเพียงดังเสียงของพรมซึ่งประกอบไปด้วยองค์8ประการเสียงของพระพุทธเจ้าเนี่ยน ะ, ะสีรูปร่างกายเนี่ยมี ประกอบด้วยมหาปริศลักษณะ32มีอนุพยัญชนะ80ประการและเสียงของพระ อ, องค์เนี่ยประกอบด้วยองค์8เหมือนเสียงพรมอุปมาเนี่ยนึกไม่ถึงเลยว่าเสียงพรมเป็นยังไงก็บอกว่าบอกลักษณะมีองค์8อย่างนะั่นหนึ่งวิสัทธ์สละสดวยแล้วก็สองมันโชเสียงไพเราะสวินยยะชัดเจนรู้ง่ายสสวนิยะสนอสด 5. อวิสาี ไม่เครือไม่พลาดหกพินทุกเรียก ว, ว่ากลมกล่มแล้วก็เจ็ดคัมพีระเป็นเสียงที่ลึกแล้วก็ น, นันนาไอ้นินนาทีมีกังวา น, นันนโอ้หประกอบด้วยองค์8ดเนี่ยนะยมทาบุญมาไม่พอจะได้ยินแล้วเกิดฟังเสียงแผลบไปก่อนกัแล้วกั น, น, ะนะแล้วเสียงของพระองค์ประกอบด้วยองค์แปดราวกับว่าพยากรสอนสีหะมิครา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 แค่แสงสีเสียงของคนมีกิเลส ธ, ธรรมดาตกแต่งในภาพยนตร์นะอย่างภาพยนตร์สมัยใหม่ด้วยภาพยนตร์เกี่ยวกับพวก s ตา r w วอ s พวกอะไรพวกนี้นะโอ้โหแสงสีเสียงพวกสีสันเนี่ยออกมาเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆถามว่าพระไปดูที่ไหนมาโอ้เวลานั่งรถทัวร์เาเปิดให้ดูอะเลยมองเห็นเลยบอกโอ้โหสีสันนี่ไม่ธรรมดาวันนี้ไปที่ร้านเครื่องเสียงพอดูเครื่องบันทึกเสียงเขาก็เปิดให้ดูอีกนะ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 แปลไม่ออกสักอย่างหรอกแต่ว่าอนี่เสียงทำนะดีนะคล้ายๆข้างเ ข, ขาเงี้ย น, น่อยนะแล้วก็อยู่ท้ายบริษัทขณะนั้น ล, ลีเอ่คนเลี้ยงลูกโคโคนหนึ่งก็มายัางที่นั้นเห็นภาษาสดากําลังแสดงธรรมและบริษัทกําลังฟังธรรมอย่างสงบเงียบส่งใจไปในเรื่องนั้นเอเด็กเลี้ยงโคโนี่ก็ฟังธรรมอยู่ด้วยส่งเออพระพุทธเจ้าก็ขี่ตามที่พระพุทธเจ้าแสดง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 อันอย่าไปคิดว่าโอ้โหเรื่องตายเนี่ฟังแล้วขำแล้วเกินไกลตัวแล้วเกินแหมเราจะเอามาต่าจะอยู่อีกอยู่อีกอ ก, กี่ปีเคยถามไหมนั่นแหละมันก็ใกล้ๆเรานี่แหละใกล้ๆจมูกเรานี่แหละลืมหายใจเข้ า, ขานั้นนะตายเลยอตายแล้วก็เหมือนหลับแล้วตื่นนะโห อ, อยู่ๆเนี่ยมีมารลอยลงมาเรื่อย ๆ, ๆืยๆเหมือนเครื่องบินลงอ่ะนะไม่คิดเลยมากแล้วก็เข้าไปถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียงกล้าว แล้วยืนประคองอัญชลีนมัสการอยู่ด้วยอนุภาพอันยิ่งใหญ่ด้วยบริวารหมู่ใหญ่เราบางคนเนะี่ยฟังเอ๊ะมันจะเป็นไปได้เหรอนะก็สมัยนี้เฮลิคอปเตอร์มาจอดตึงๆึ ง, ง, ง, ง, งมาลงเนี่ยลงแหลกแลลงมากราบก็แค่นั้นเองก็สมัยนี้ก็ยังมีเลยนะแบบนั้นนะ่ะและเครื่องบินแบบใหญ่ๆหญ่ใช่ไหมมันก็ยังมาลงแล้วก็ลงมาเปิดประตูรับเปิดอะไรมีคนเนี่ยเดินตามมาตั้งเยอะแยะ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 อย่างยาวนานยืดยาวเนี่ยสงสัยถึงฐานะที่ไม่หวั่นไหวฐานะอะไรไม่หวั่นไหวนิพพานนหรนะนิพพานนั่นแหละเป็นธรรมะที่ไม่หวั่นไหวอสวกังวีระชังเขมังเอตัมมังคามุตตะมังอะ่ะอสวกังวีระชังก็คือเป็นจิตที่กเกษณเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวจิตชนิดนั้นเป็นโลกุตระจิตจึงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวจริงๆะนะ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 คล้ายๆกับว่าจิตเนี่ยเป็นผลของกรรมแต่จิตที่เป็นผลของกรรมนั้นต้องมีวัตถุรองรับวัตถุที่รับผลของกรรมนั้นก็คือจักรคูวัตถุกรรมนั้นเกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์ а, ผลของกรรมนี้เกิดขึ้นต้องรู้อารมณ์อารมณ์ของผลของกรรมก็คือรูปอารมณ์สีต่างๆนะกรรมนี่นะอยู่ในฝักฝ่ายแห่งสมุทัยศัก์ผลของกรรมนี้เป็นทุกข์ขั้ว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 กามสุขาริการุโยกสองอัตตกิละมัานุโยกสมัชชิมาปฏิปทาการมสุขาริการุโยกก็คือยินดีในอารมณ์การยินดีในรูปารมณ์อย่างนี้เรียกว่าการมสุขาริการุโยกการที่เราปฏิบัติเพื่อให้มันเสียดแทงไอ้จักสุที่สุดอะทรมานตัวดวงตาเนี่ยนะทรมานกรรมไมชรูปอันนั้นเรียกว่า อัตตะกิละมฐานุโยกแล้วมัชิมามเป็นยังไงมัชิมาก็คือข้อปฏิบัติที่ทำให้เกิดดวงตาจากักขูอุทปาทิยานกอุทปาทิทำให้เกิดดวงตาทำให้เกิดปัญญาทำให้เกิดวิชาทาให้เกิดแสงสว่างแสงสว่างวันนี้ทุกเออนะการเห็นทั้งหมดเนี่ยคือทุกเพราะเป็นไปตามปั จ, จัยประชุมพร้อมตัณหาเป็นเหตุเกิดเรียกว่าทุกขสมุทยัย ปัญญาเป็นตัวเห็นวันนี้ทุกนี้ทุกขสมุทัยแล้วเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อความน่ายไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อความยึดถื อ, อ น, นะพระองค์ตรัสว่าควรแล้วหรือที่เราทั้งหลายจะตามเห็นว่านั่นเป็นของเราเพลินเลยในเรื่องนี้นั่นของเรานะเพลิน เ, ลเป็นชื่อของตัญหานั่นเรา เ, าเป็นนั่นเราเนี่ยเนี่ยตาเนี่ยเราเนี่ยตาเราดีกว่าตาของเขานะ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 มีรูปเป็นบริวาร54รูปอันเกิดจากกรรมจิตอุตุอาหารปัจจัยประชุมพร้อมนั่นแหละสรุปแล้วที่มันเกิดอย่างนั้นได้เพราะตันหาและอวิชชาตัวตาเนี่ยเป็นทุกขสัตย์ทั้งหมดที่กล่าวในทุกขสัตย์อวิชชาตันหาที่เป็นปัจจัยให้ดวงตาเกิดนี่เป็นสมุทัยสัตว์ตาเป็นที่รักที่ชอบใจในโลกตันหาเมื่อจะเกิดเกิดที่ตาอ่านะพบใหม่ก็จะเกิดเกิดอาศัยตานั่นแหละ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 เ อ, อยังไม่ได้ไปชมมันดูกะเลยว่าไปไงนะฟังธรรมเสร็จแล้วเงียบเลยอบอกว่าพระผู้มีพระภาคตรวจดูอุปนิสัยสมบัติของเทพบุตรและของบริษัทที่ประชุมกันอยู่แล้วทรงแสดงธรรมโดยพิสดารจบเทศนาเทพบุตรนั้นตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลนศัก 84,000 พันได้ตรัสรู้ธรรมเทพบุตรนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าทำประทักษิณทำอัญชลีแล้วก็กลับด้วยวิมานตามเดิมนะนะ